เพระความในมหาปรินิพานาสูตรที่คณิกายมหาวรชทำท่าว่าจะปรินิพานมาหลายวันแล้ววันนี้แน่นอนนะงั้ น, นะแต่จริงๆแล้วพระองค์ปรินิพานมานานแล้วแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะเนี่ยนะ ท, ที่เราส่วนนี่มาดูว่าโดยลําดับที่พระผู้มีพระภาคดับขันธปรินิพานนั้นเป็นการปรินิพานที่เรียกว่าไม่ได้น่าเศร้าโศกอะไรเลย คือตัวสําหรับองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะสำหรับ อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดนะไหถ้าแต่ว่าคนอื่นที่เสียใจไม่สบายใจน้อยใจเป็นต้นก็คนเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีบุญ น, น้อยตัวเองไม่ได้อริยทรัพย์อะไรจากพระพุทธเจ้าเลยหรื อ, อไม่ได้ประโยชน์ที่ควรจะได้จากพระาศาสนาก็เลยเสียใจอันที่จริงเสียใจไม่ได้สงสารพระพุทธเจ้าอะไรหรอกเนี่ยนะ สงสารตัวเองว่าจะไปรอดหรือเปล่าน้อเนี่ยนะตัวเองจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนาะแต่ถ้าหากว่าสําหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธคุณเป็นอย่างดีสําหรับพระตถาคตเจ้าแล้วเชื่อว่าเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วนะเป็นเป็นสุขโตจริงๆเป็นผู้ที่เสด็จไปดีเสด็จไปโดยศีลสมาธิวิปัสนาอภิญยาสมาบัติอริยมรรคอริยผลนะ เ, เสด็จไปสู่อสังคตธรรมเสด็จไปสู่ ธรรมที่ดับทุกข์เนี่ยนะเสด็จไปสู่ธรรมที่ปราศจากทุกข์ทั้งปวงและสําหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก่อนที่พระองค์จะดับขันธปริณีพานถ้าเปรียบเหมือนอย่างว่าชาวโลกทั้งหลายมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์เนี่ยนะที่มีทรัพย์มากจริงๆเนี่ยนะมีทรัพย์มากมีทองคํามากมีเงินมากมีบริบูรณ์พูนสุขเนี่ยเขาเหล่านั้นจะใช้สอยทรัพย์ที่มีอยู่ตามสมควรแก่ฐานะ น, นะด้วยความเป็นสุขเรียก ว, ว่าสุขในการใช้พวกทขัพย์สุขอันหนึ่งของค า, ารวะก็คือสุขในการใช้พวกทขัพย์แต่ถ้าสําหรับพระเริยเจ้าทั้งหลายโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอง์ก็มีความสุขในการใช้อริยทรัพย์นะนะอริยทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งมวลของพระองค์พระองค์ได้เอาอริยทรัพย์เหล่านั้นมาเจริญมาบริโภคใช้สอยทั้งหมดก่อนที่จะปรินิพานทรัพย์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นโลกิยทรัพย์หรือ โลกุตระซับซับเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นฌานอภิน ญ, ญาสมาธิทั้งหลายสมาบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกอริยทรัพย์เหล่านั้นพระองค์เอามาใช้สอยอย่างสมบูรณ์ท่้นคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยโดยสัพบพัควาเนี่ยหมายคก็ว่าผู้มีทรัพย์ก็ได้นะผู้ที่บริโภคใช้สอยทรัพย์ทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกแต่ว่าการใช้สอยทรัพย์ของพระองค์ไม่ได้ทําลายอะไรสักอย่างเดียวเนี่ยนะ เป็นการใช้สอยซับที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์เองและช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงเป็นการบริโภคอริยซัพย์ที่เป็นการบริโภคเพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์คืออริยรับทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอริยซับทันพระองค์นั้นมีอัธยาศัยว่าทำไชนผู้อื่นจะเพียบพร้อมบริบูรณ์ไภบูรณ์ด้วยอริยซับ พ, พนันเพราะก่อนที่พระองค์จะปรินิพาน พระองค์ก็ใช้อริยทรัพย์ให้ให้ดูก่อนอยงนั้นเถอะว่าพระองค์นั้นบริโภคใช้สอยอริยทรัพย์อย่างไรผู้ที่เตรียมพร้อมในชีวิตนี่มีเครื่องอบอุ่นใจใขนาดไหนสำหรับถ้าเทียบถึงความยากไร้ของบุคคลยุคหลังๆเนี่ยนะยุคหลังๆมาเนี่ยแม้เตียงสุดท้ายก่อนมรณะเนี่ยนะพอจะมีอะไรบ้างไอ้สายยางนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะไม่จําเป็นต้องพูดถึงว่าสายยางเสียบจมูกบ้างเสียบคอมัง่ง นนะั้ไอ้เส้นน้ําเกลือเสียบตามอะไรต่างๆเนี่ยก็คงไม่จําเป็นต้องพูดถึงแล้วล่ะไอ้นั่นไม่ได้ลักษณะเป็นอริยสัพปะไรหรอกที่จะพ้นจากทุกข์นนะมีแต่ความทุกข์กันนะเจ็บปวดตั้งแต่ถูกห อ, อกแทงแล้วว่าือนนะไปเห็นบางท่านในแม้หายใจก็อาหารต่างทางสายยางเนี่ยนะก็แม้จะอร่อยตรงไหนเนาะชีวิตนี้อ น, นะอาหารทางสายยางบ้างอัะร่างกายเนี่ยถูกปั๊มถูกอะไรอยู่ตลอดเวลานะั่นก็เป็นความ ทุกอย่างหนึ่งที่นี้นี่ก็เรียกว่าโหคนมีพวกทรัพั์แล้วนะคนมีพกทรัพย์ที่มีโอกาสได้บริโภคสายยางเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยนะแต่ว่าถือว่าเป็นความอนาถาในพระาศาสนานี้เป็นแน่แท้คนที่เป็นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่อนาถามากๆก็แปลว่าใครจะไปเยี่ยมก็ไม่ได้จะคุยก็ใครก็ไม่ได้ซื่อสานอะไรก็ไม่ได้ก็คือเก็นกมยิ่งกำพรายยิ่งกว่า กัมพาอีกถึงจะมีก็มีแต่ในานามมีแต่ชื่อไม่ได้บริโภคอะไรเองได้หรอกเนี่ยนะไม่สามารถแม้กระทั่งมีร่างกายก็อย่างนั้นอย่างนั้นไม่พอที่จะประคับประคองจับพยองลุกพยองนั่งก็ยากแท้ช่างลําบากแท้แต่ถ้าเทียบกับผู้ที่มีอริยทรัพย์นั้นความสุขแตกต่างกันเยอะบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะถ้าลองเปรียบกันเนี่ยถ้าอย่างแบบคนทั่วๆไปที่เป็นธ ร, ราชาเป็นจักรพรรดิเป็นต้น บุคคลเหล่านั้นเนี่ยดีดูดีและมีสุขบริโภคใช้สอยโภกทัพว์พทั้งหลายรับประทานอย่างที่อยากจะรับประทานานะพักผ่อนเที่ยวสบายอย่างที่อยากทำแต่ก็ชั่วขณะหนึ่งพอร่างกายไม่สบายจิตใจก็เดือดร้อนถ้ายิ่งร่างกายไม่สบายเท่าใดเจ็บปวดไปเท่าใดจิตใจก็เร่าร้อนจิตใจก็เดือดร้อนเท่านั้นในที่สุดนั้นก่อนจะสิ้นลมปราณเนี่ยก็เต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยนะ แล้วก็ไม่มีอริยทรัพย์อะไรพอที่จะปลื้มใจมาได้เลยนึกถึงแต่อะไรนึกถึงแต่บางคนเนี่ยก่อนจะตายนึกถึงแต่ความชั่วที่ตัวเองเคยทำมานึกถึงความชั่วแล้วแล้วเล่าเล่าความชั่วรายการที่หนึ่งความชั่วรายการที่สองแปลกมันเกิดปัญญาดีอะไรขึ้นมาตอนนั้นไม่ทราบจำได้ทุกเรื่องเนี่ยนะที่เป็นความชั่วนี่จำได้หมดเลย ไปละไปฆ่าที่ไหนอะไรเมื่ อ, อไรอย่างไรที่ไหนอธิบายได้หมดเขียนนิยายได้ไม่รู้กี่สิบเล่มตรงนั้น่ะนะถ้าหากว่าอดีตประวัติตัวเองเนี่ยไปคดไปโกงไปเรื่องไม่เป็นเรื่องไปยักไปยอกไปอะไรใครที่ไหนช้มได้หมดเลยเนี่ยนะแล้วก็จะจำแม่นกว่าทปกติธรรมดาด้วยนะแล้วก็อะไรบางคนเนี่ยไปการเมศสุมิจฉาจารย์ที่ไหนมาระลึกได้หมดเลยหรือไปมุสาใครไว้ไปหลอกใครไว้ไป พูดแบบมีเล่เหลี่ยมมีชั้นเชิงตลบตอแหลอะไรต่างๆนี่มันโผล่มาหมดเลยไปด่าใครที่ไหนไว้อย่างไรจําได้หมดอีกไปยุแยงตะแคงรั่วให้เขาแตกแยกราวรานเสียสอเสียดเสียดสี ส, สรารพัด ท, ที่ไหนเนี่ยจาได้หมดเลยไปพูดเพอเจอร์ไปร้องรําทําเพลงราได้หมดเลยบางทีจําเพลงได้ไม่รู้กี่เพลงต่อกี่เพลงเพอร์เจอร์ทั้งหลายเนี่ยนะร้องเพลงได้นะบางคนก็บอกว่าเป็นโรคอะไรนะโรคอัลไซเมอร์โรคอะไรบางอย่างเนี่ย มันทำอะไรไม่เป็นร้องเพลงเป็นอย่างเดียวร้องเพลงก็ร้องให้มีอยู่สองอย่างก็แปลว่าหูเดียวก็หัวเราะเดียวก็ร้องให้เดียวก็น้อยใจเดี๋ยวก็หัวเราะร้องให้น้อยใจมันก็มีอยู่เท่านี้แหละนะจ้ามได้หมดเลยใครที่ทาอะไรกับตัวเองที่ตัวเองพอใจก็นึกยิ้มไปนึถึงตอนที่เขาขัดใจก็ เสียใจไปร้องไห้ไปเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปร้องเพลงมั่งเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยหัวเราะร้องไห้แล้วก็ร้องเพลงเนี่ยนะเอาแต่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นอภิชาก็มีความกำลังยิ่งขึ้นร้องเรียกเอาสิ่งนั้นจากคนนี้ร้องเรียกเอาสิ่งนี้จากคนนั้นเนี่ยนะร้องเรียกเอาอยู่ตลอดเวลาก็แปลว่าเป็นคนที่อดอยากทางความคิดตลอดนะมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาจะเอาเนี่ยนะมันมีแต่ใจที่แห้งแล้งเรียกว่าจิตใจที่แห้งแล้งเดือดร้อนแล้วก็เร่าร้อน พยาบาทก็รุนแรงเป็นคนที่ผูกเวรนะเป็นคนที่ผูกเวรผูกอาคาตผูกความพยาบาทเต็มไปได้วยความน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยนะตําหนิตัวเองบัง่งตําหนิผู้อื่นบ้างตําหนิดินน้ําไฟลมตําหนิสารพัดอย่างที่จะขุดออกมาตําหนิด้วยแรงแห่งพยาบาทก็เอามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมากล่อมหลอกตัวเองไม่มีอะไรรอกบุญไม่มีบาปไม่มีก็มาแกล้งหลอกตัวเองเนี่ยนะเสกเสซแซงตัวเองไปวันวันหนึ่ง ก็อาถ้ามันคิดมากเอาเปลี่ยนไปกินซะเปลี่ยนไปชิมโน่นดื่มนี่ก็หมุนเวียนพลิกซ้ายพลิกขวาก็อยู่รอจนในที่สุดก็ถูกประหารจริงๆเ น, น, นะเพราะโลกนี้อั น, อ, นอะไรโลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแต่เป็นการจากไปแบบคนที่เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและเดือดร้อนทั้งต่อต่อไปตอนใกล้จะตายก็เดือดร้อนทางร่างกายเพราะร่างกายปวดเท่าใดจิตใจก็คูณ10คูณร้อยคูณพันเจ็บทั้งกายแล้วก็ปวดทั้ง ทั้งใจเนี่ยนะกันทุกอย่างก็ถือว่าเป็นการสูญเสียทั้งหมดชีวิตก็ด้วยความอับเฉาเศร้าซ้อยเนี่ยนะนึกถึงยิ่งถ้าหากว่าได้รู้จักคําว่าบุญคําว่าบาปบ้างเนี่ยนะแหมบุญตัวเองทําทํำไมช่างน้อยแท้ศรัทธานในพระธรรมตรายก็แทบนึกไม่ออกเลยนะนึกถึงพระพุทธเจ้าของเงียบนึกถึงพระธรรมก็จําอะไรก็ไม่ได้พระทรงก่อนแล้วเนี่ยนะมันก่อนไปคุยกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่อยู่โรงพยาบาล บอกว่าปัจนนี้แล้วเนี่ยนะสมถาวิปัสนาอะไรเนี่ยให้เจริญยังไงมันก็ไม่ได้เรื่องในราวแล้วล่ะเชื่อเหรอมีอยู่อันเดียวเท่านั้นอ่ะพอจะเป็นไปได้ก็พุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิเนี่ยนะอิติปิโสให้มากๆเอาไว้อายุเท่าไหร่ก็อิติปิโสเอาไว้ให้เท่านั้นมากนั่นแหละให้นันเท่านั้นแหละ ย, ยิ่งดีเกินอายุได้ก็ยิ่งดีจะได้อายุยืนขึ้น น, นะ อ, นนะอายุในอะไรนะอายุที่เป็นบุญเนี่ยจะได้ยืนขึ้นอายุที่เป็นกุศลจะได้ยั่งยืนขึ้นจะไปแมมบอกอุย๊ยตอนป่วยนะจะคิดสมถธาวิปัสสนาอนุนก็ไม่เทียงอันนี้จังทุกขรังอนัตตาบอกไปหวังเลยไอ้ตอนตื่นตื่นสติสัมปชัญญะไม่ปวดไม่เมื่อยยังง่วงซึมขนาดนี้แหละตอนนั้นด้วยในหมดสภาพเลยแหละเชื่อเหรอเนี่ยนะไร้สภาพเลยแหละ ไม่มีสมัถ น, า ภ, านาภาพทางความคิดอะไรเลยไอ้คณะสุขภาพดีขนาดนี้ยั ง, งโง่เท่านี้องนั้นเถอะไอ้ตอนนั้นจะงโง่อีกเท่าไหร่เนี่ยนะปริมาณสติปริมาณปัญญามันลดลงหมดอะทุกเรื่องมันลดหมดอะเว้นแต่ว่าอายุเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเพิ่มขึ้นเกือบจะจุติอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนั้นจริงๆอะพอจะช่วยได้เนี่ยนะก็อิติบิโสภควาเป็นต้นพุทธังสารนังคัจฉามิสมาทานศีลเข้าให้บ่อยเนี่นนะ เอาอย่างนั้นแหละให้ใจโคโจรหยดได้เท่านั้นแหละบางคนก็บอกอุ๊ยเนี่ยมันต้องเรื่องนั้นสิมันต้องอย่างงี้สิจําอะไรไม่ได้หรอกน้ำโมก็ตั้งให้มันจบเถอะเนี่นนนยนะยมก็มาเล่าให้ฟังบอกน้ำโมยังตั้งไม่ได้เลยท่านเขาอย่างั้นก็อาจจเชื่อว่าเป็นได้จริงๆยมคนหนึ่งเขาไปล้มหัวกระแทกพื้นขึ้นมาแหมงานนี้จะรอดหรือเปล่านาะอุ้ยมีแต่ความฟุง้งซ่านงานก็ยังจัดการไม่เสร็จอโนอนก็อุยตอนแรกแกทํำท่าจะเป็นโสดาบันให้ได้เลยนะ แต่ตอนนี้พอล้มไปแล้วหัวนอกพื้นอย่างนั้นเขามันนึกอะไรไม่ออกเนยหลือเหลืออะไรก็เหลือแต่ว่าโอ้โหเนี่ยครั้งนี้ซ้อมใหญ่โตอยงนั้นซ้อมใหญ่ซ้อมโตนะมันทําไม่อย่างนั้นเนี่ยเดือดร้อนเอาอะไรมารับรองหลายคนนี่หมายทำเป็นเก่งกาจเหลือเกินเนี่ยพอเกิดอาการบูบูบวับขึ้นมาก็รู้ละชักไม่คแน่ใจแล้วกันเนี่ยเพราะะตอนนี้เนี่ยจะต้องฝึกต้องหมั่นซ้อมให้ดีๆจริงๆเลยถ้าไม่ดีจริงนะไม่รู้แหละไม่ได้เจอกันมันดีที่สุดนะใครที่ซ้อมไม่ดีขอย่าได้เจอกันเลยนะ กวนกิ่งถ้าไปเจอกันนี้กแปลว่าเราก็ตกซ้อมตกเหมือนกันกันไปอยู่เผ่าเดียวกันน่ะเดือดร้อนแน่เผ่าไหนเนาะก็เนี้ยกาเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสตาวาดก้าไปอยู่เผ่าไหนภูมิไหนไปอยู่ฟาร์มไหนนะเนี้เดือดร้อนมากไอ้ฟาร์มไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่นะตอนนี้ถามว่าเอาอะไรรับรองว่าพ้นแล้วอะ่ะเอาดินึกถึงว่าทําดีอะไรมาบ้างเอา เราเลือกได้ไหมว่าตัวเองเนี่ยทาดีอะไรมั่งกายะสุจริตทําอะไรมาบ้างวาจีสุจริตมโนสุจริตศีลเจริญมาแค่ไหนทั้งชีวิตมาเลยเนี่ยสมาทานศีลมากี่ครั้งเจตนาตั้งใจสมาทานศีลกี่ครั้งตั้งใจรักษาศีลอยู่กี่ขณะจิตเพราะกุศลกอกุศลกันวัดกันที่สุขภาพจิตแล้ววัดกันที่ขณะจิตไม่ได้วัดที่อย่างอื่นทั้งนั้นน่ะจิตของเราอยู่กับศีลกี่ขณะจิตอยู่กับสมถะกี่ขณะจิตอยู่กับ วิปัสสนากี่ขณะจิตอยู่กับพุทธคุณกี่ขณะจิตธรรมคุณสังคคุณเนี่ยวัดกันเอาตามนั้นแหะ น, นแะแล้วก็มาดูอีกว่านหนึ่งศรัท ธ, ธาของเรานี่งอนแง่นในพระพุทธเจ้าขนาดไหนลองปวดหัวเลยนะพระพุทธเจ้ามาก่อนอันดับแรกเลยใช่ไหมเก่งมากนะทําได้โหทําบุญอะไรมาน้อกันนะความจริงอย่างนั้นเธอเนี่ยนะไม่กลัวหรอกดีใจด้วยแหละแต่ถ้าแหมปวดฟันแล้วเกินนึกถึงแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะ ทอนพาอะไรนีถ้าอย่างงี้ก็อันตรายเยอะเนี่ยนะดันั้นลหลายๆเรื่องโดยเฉพาะในร่างกายของคนที่จะบะลาโลกนี้ไปจากโลกนี้ไปมีไม่มากสักเท่าไรหรอกอาการยังครบถ้วนทั้งสามสิบสองแล้วก็ตายจากโลกเนี่ยนะบางทีก็แผลเวอะวะเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ยนะกว่าจะได้จากเหมือนถูกหอกถูกอะไรทิ่นแทงสารพัดอย่างมันถ้าเราต้องซ้อมไว้ให้ดีๆเลยแหละความเจ็บป่วยที่เข้ามารุมเราในตอนนั้นเนี่ยจะขนาดไหน อันลงเรือให้ไปซ้อมใหญ่มาแล้วแค่ซ้อมใหญ่แล้วก็มันก็ดีขึ้นเท่าไหร่นะแทนที่จะมาฝึกใหม่ให้นักหนักขึ้นเปล่าเลยตรงนั้นข้ามนลยนะถือโอกาสตํำหนิผู้ใหญ่ให้เด็กฟังเลย <c oughs> นี่ว่าถ้าซ้อมไว้ไม่ดีในอนาคตเนี่อลาบากแน่นอนเนอะไปคนเดียวลงเรือไปด้วยหรอก <c oughs> นี่มันต้องฝึกต้องซ้อมมันนะนะไม่งั้นนี่เราจะนึกถึงอะไรถ้าบุญทำไว้แม้ สมถาวิปัสสนาเยี่ยมจริงๆออถ้าอย่างนั้นก็โอเคนะแสดงว่าเยี่ยมจริงๆละว่างั้นเถอะแต่ถ้าหากว่าบุญตัวเองก็ทําไม่น้อยอุ่นใจเอาอะไรมาอุ่นใจอ่ะบอกแม่ทาใจให้สบายสิมันทําได้ไหมล่ะอ๋อปัญหาหลายเรื่องเนี่ยแก้ให้มันตกเถอะถ้าแก้ไม่ตกโดยเฉพาะความคิดเนี่ยนะถ้าเราจะคิดอะไรก่อนถึงเวลานั้นเนี่ยนะต้องฝึกต้องซ้อมเอาไว้เลยว่าเราจะคิดอะไรถ้าเลือกคิดได้เลือกเกิดได้อันนี้เลือกคิดได้เลือกเกิดได้ แต่ปัญหาว่าพอนปวดแล้วมันเลือกคิดไม่ได้เลือกได้แต่ความเจ็บปวดนี่ไงนะอุ้ยถุกแพ้ทุกแ พ, กแพ้เนี่ยนะเจ็บแท้เจ็บแท้มันทําไม่อะไรเลยเนี่ยนะแม้พูดถึงคนยากทั้งหลายเนี่ยนะไหนๆก็จะจากโลกนี้แล้วก็พุทธังสารานางังคัจฉามิให้เจ๊าแจ๊วเนี่ยนะตั้งเอาไว้เถอะบ่อยๆให้ชํานาญพุทธังทำมังสังคังสารานางังคัจฉามิเนี่ยหรือไม่อิติปิโสพระว า, าระหังสัมมาปานาติปาตาข้าพเจ้าขอสมาทาน อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเจริญให้บ่อยๆเลยให้อุ่นใจโวนอยู่อย่างนั้นให้อบอุ่นใจเนี่ยยิ่งฟุ้งมากยิ่งต้องข่มตรงนั้นมาก